ต่อมาในพิจารณาเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาว่าพระพุทธศาสนาเป็นสื่อรวมจิตใจของประชาชนชาวไทยได้โดยเฉพาะแถบจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียงพระมหาเถระที่ทรงคุณธรรมเป็นที่ประจักษ์ทั้งในหมู่คนดีและคนชั่วคือพระเดชพระคุณหลวงปู่ศรีมหาวีโรด้วยเหตุนี้นาวาอากาศเอกประสิทธิทองใบใหญ่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 หลวงปูบุญศรียานธรรมโมเป็นหัวหน้าเนื้อที่ที่วัดดูแลมีประมาณห้าหมืนไร่ภายหลังเพิ่มเป็นหนึ่งแสสาหมืนไร่ท่านได้ปลูกต้นไม้ขึ้นอีกบริเวณยอดเขาจำนวนสามแสนต้นสมัยนั้นการขึ้นลงต้องไต่ตามซอกหินไม่มีบันไดจากเชิงเขาถึงผาน้ำย้อยใช้เวลาประมาณสี่สิบนาทีหลวงปูศรีท่านชอบพักอยู่ตามท่าบริเวณผาน้าย้อยส่วนพระเนน คักอยู่ตามบริเวณเทือกเขาผาตลอดแนวอาศัยเพิงหินเป็นที่ทํากิจตภาวนาคราวหนึ่งท่านหลวงปู่ศีป่วยเป็นไข้ามาลาเรียอย่างหนักท่านไม่ยอมฉันยาไม่ยอมไปหาหมอท่านใช้ธรรมโอสถรักษาอาการป่วยนั้นแม้อายุของท่านจะย่างเข้าสู่วัยชราแต่ความเพียรความเด็ดเดี่ยวไม่เคยย่อหย่อนลงเลยและท่านก็สอนพระเนนเป็นธรรมีกถาเตือนใจอยู่เสมอว่า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 กลางหาวเป็นที่ไปของฝูงนกการสิ้นความกำนัดเป็นเป้าหมายของธรรมะพระนิพพานเป็นที่ไปของพระอรหันต์ท่านเป็นแบบอย่างแจสานุสิทธิ์ไม่เคยท้อไม่เคยวันในการสร้างคุณงามความดีและคุณประโยชน์ทุกประเภทแม้พระพุทธรูปหินทรายมีน้ำหนักหลายตันที่ผู้มีศรัทธาสร้างถวายท่านเองนาพาญาติโยมเป็นจำนวนมากช่วยกันชักลากจากบริเวณเชิงเขา ขึ้นไปปริษถานบนผา Namyoi อยอันสูงชันได้อย่างน่าอัศจรรย์ในสมัยนั้นการก่อสร้างเสนาสนะต่างๆมีศาลาเป็นต้นเป็นไปด้วยความยากลําบากน้ําแห้งแลง้งท่านได้สร้างสาระน้ําใหญ่สร้างศาลาใหญ่แม้นว่าท่านจะไม่เคยอยู่จําพรรษาณนะสํานักแห่งนี้แต่ท่านก็ให้ความสําคัญแก่สํานักแห่งนี้ไม่น้อยไปกว่าสํานักใหญ่วัดป่ากุ้งเลยการสอนประชาชน ญ, ญาติโยม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 หลงปุสีมหาวีโรว่าอาจารย์ศีปากเข็ดคำว่าปากเข็ดนั้นก็คือมีวาจาศิทธิ์พูดอะไรทำอะไรสำเร็จทุกอย่างและเป็นจริงทุกอย่าง